ของขวัญแห่งเมใจการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองเล็กๆของอังกฤษยังมีคู่รักอยู่คู่หนึ่งเจมส์และเดลล่าพวกเขารักกันอย่างสุดซึ้งเมื่อเรียนจบวิทยาลายัยเจมส์ได้ทำงานเป็นนักพิมพ์ในบริษัทหนังสือพิมพ์ และด้วยเงินเดือน50ปอนเจมมีความสุขมากเขาจึงตัดสินใจที่จะขอเด ล, ล่าแต่งงานเด ล, ล่าผมรักคุณไม่เคยจางเลยตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันและผมจะรักคุณตลอดไปไม่มีวันเสื่อมคลายผมอยากจะอยู่กับคุณอยากแก่เท่าไปกับคุณเดลล่า คุณจะแต่งงานกับผมไหมเออเจมฉันอยากแก่เท่าไปกับคุณเหมือนกันค่ะตกลงค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณและเช่นนี้เจมและเดลล่าจึงแต่งงานกันในงานแต่งงานเล็กๆเจมเช่าห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในราคา8ปดปอนต่ออาทิตย์ และอาศัยอยู่กับเดลล่าอย่างมีความสุขดูเหมือนว่าความรักของพวกเขาจะไปได้สวยทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งวันหนึง่งเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้เงินเดือนของเจมเหลือเพียง40ป่ปอน ที่รักพวกเราจะผ่านมันไปได้ไม่ต้องห่วงนะอ๋อแน่นอนค่ะฉันจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามทีนะดังนั้นสามีและภรรยาจึงใช้ชีวิตอย่างรัดกุมเพื่อให้ค่าใช้จ่ายเพียงพอในไม่ช้าวันคริสต์มาสอีกก็ได้มาถึงถนนทั่วทั้งลอนดอนถูกปกคลุมไปด้วยหิมะร้านค้าและบ้านต่างๆถูกประดับไปด้วยแสงไฟและต้นคริสต์มาสเดลล่า กำลังนับเงินของเธอเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายห น, น, นึ่งปอนด์ปดปหปเจ็พนนีเหลือแค่นี้เองเหรออ้พรุ่งนี้ก็วันคริสต์มาสแล้วฉันจะทำยังไงดีนี่คงไม่พอแนะ่ตอนนี้สมบัติทั้งหมดที่มีค่าที่สุดของพวกเขามีเพียงสองชิ้น อย่างแรกคือนาฬิกาทองคำของเจมที่ได้มาจากพ่อของเขาและพ่อของเขาก็ได้มาจากปู่ของเขาอีกทีและอีกอย่างก็คือผมของเดลล่าเดลล่ามีผมน้ำตาลยาวสลละสลวยถึงเข่าของเธอและมันเหมือนกับเป็นชุดสำหรับเธอคุณต้องทำในสิ่ที่คุณต้องทำสินะเธอเครียดและลุกขึ้นอย่างรวดเร็วมีน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเธอ เดลลาเช้น้ำตาที่ใบหน้าและสวมหมวกสีน้ำตาลใบเก่าของเธอเธอรีบไปที่ประตูและเดินลงบันไดไปยังถนนในไม่ช้าเธอก็ามาหยุดตรงหน้าร้านแห่งหนึ่งเท่า อ, อย่างงี้สินะขอโทษนะคะคุณอยากซื้อผมของฉันไหมอืม ทำไมไม่เอาหมวกคุณออกแล้วให้ฉันดูมันล่ะคะเดลล่าถอดหมวกของเธอออกและสยายผมสีน้ำตาลของเธอหญิงคนนั้นลูกไปที่ผมของเธอและก็พยักหน้ายี่สิบปอนตัดรองค่ะในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเดลล่าไปที่ถนนลอนดอน เพื่อตามล่าของขวัญที่วิเศษที่สุดให้กับเจมในที่สุดเธอก็พบมันมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเจมแน่นอนไม่มีใครเหมาะกับมันไปกว่าเขาแล้วมันคือส้อยโซ่แพลตินัมที่เรียบหรูและออกแบบมาอย่างเรียบง่ายมันไม่ได้ตกแต่งสวยงามแต่ว่า มันก็เหมาะมากและคุ้มค่าที่จะใช้เป็นที่ห้อยนาฬิกาเธอรีบจ่ายเงิน20ปอนทันทีโดยที่เธอไม่ต้องคิดเลยพร้อมกันนั้นเธอก็รีบกลับบ้านกับเงินที่เหลือเพียงแค่87ดเพนนีถึงเวลาหนึ่งทุ่มกาแฟถูกเตรียมไว้และกระทะก็ตั้งอยู่บนเตาพร้อมที่จะทำอาหารเดลล่า ม้วนผมของเธอให้เป็นลอนๆนั่นทำให้เธอดูเหมือนเด็กนักเรียนผู้ชายอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่เธอคิดถ้าเจไม่ค่าฉันก่อนที่เห็นฉันเขาต้องพูดออกมาแน่นอนเลยว่าฉันน่ะเหมือนกับนางระบามแต่ฉันจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีกับเงินแค่87เพนนีเองทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงเขาเดินขึ้นบันไดามาสมองของเธอรู้สึกตื้อไปหมด ได้โปรดและพระเจ้าขอให้เขายังคิดว่าฉันสวยอยู่ด้วยเถอได้โปรดล้ประตูถูกเปิดออกและเจมส์ก็เดินเข้ามาเขาดูผอมและเครียดมากเมื่อเขามองไปที่เดลล่าเขายืนนิ่งดวงตาของเขาจับจ้องอยู่ที่เธอและเขาไม่แสดงอาการอะไรให้อ่านออกได้เลยมันทำให้เดลล่ารู้สึกวันวันเธอรีบลุกขึ้นจากโต๊ะและเดินไปหาเขาทันทีเจมส์ ที่รักอย่ามองฉันแบบนั้นฉันตัดผมไปขายเพราะคงทนไม่ได้แนะ่ถ้าไม่มีของขวัญให้คุณในวันคริสต์มาสเดี๋ยวมันก็กลับมายาวแล้วคุณรู้ไหมผมฉันยาวไวมากเลยนะแต่เจมไม่ตอบอะไรแมรี่คริสต์มาสกันเถอะเจมมามีความสุขกันนะคุณเดีาไม่ออกแน่นอนว่าฉันน่ะมีของขวัญวิเศษอะไรตเตรียมเอาไว้ให้คุณด้วยล่ะคุณตัดผมงั้นเหรอใช่แล้ว แต่ดอบิขายเนะี่ยยังไงคุณก็ชอบฉันใช่ไหมฉันก็ยังเป็นฉันถึงจะไม่มีผมและก็ตามใช่ไหมล่ะเจมจ้องไปที่เธอพร้อมกับทำใบหน้าจริงจังอย่าเข้าใจผมผิดซิเดลล่าไม่ว่าคุณจะตัดผมหรือใช้แชมพูอะไรมันก็ไม่ทำให้ผมรักคุณน้อยลงหรอกนะแต่ถ้าคุณเปิดกล่องของขวัญออกคุณจะรู้ว่าทาไมผมถึงตกใจในตอนแรกเดลล่า เปิดกล่องของขวัญออกและเมื่อเธอเปิดออกเธอกรีดออกมาด้วยความดีใจเออว้าวเธอมีความสุขมากเพราะของขวัญชิ้นนั้นก็คือชุดเซ็ตหวีที่มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเดลล่ามองมันผ่านหน้าต่างร้านค้ามานานหวีที่สวยงามทำมาจากกระดองเต่าบริสุทธิ์พร้อมกับขอบอาาัญมณีพวกมันมีราคาแพงมากๆ และหัวใจของเธอก็โหยหาและหวังจะได้มันมาตลอดและตอนนี้มันก็กลายเป็นของเธอเรียบร้อยแล้วแต่ปล่อยผมที่สมควรจะได้รับการหวีจากมันได้หายไปแล้วเธอกอดเขาแน่นและมองเขาพร้อมทั้งน้ําตาและยิ้มออกมาผมของฉันยาวไวมากเลยล่ะคะ่ะเจมและเดนล่าก็คลอเคลียเขาราวกับแมวตัวน้อยแล้วร้องไห้ออกมา โอ้เจมส์คุณยังไม่เห็ดของขวัญใส่ไมเศสของคุณเลยเธอนำมันออกมาวางไว้บนฝ่ามือเพื่อมอบให้กับเขามันดูธรรมดาไปไหมเจมส์ James, ฉันถามมันทั่วเมืองเลยล่ะใช้เวลาทั้งวันหาเป็นร้อยร้อยล้านเอานาฬิกาของคุณมาสิฉันอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ แทนที่จะฟังเธอเจมล้มตัวลงนอนบนโซฟาแล้ววางมือใต้หัวพร้อมกับยิ้มออกมาเดลล่าเอาของขวัญวันคริสต์มาสของพวกเราเก็บไว้ก่อนนะดูเหมือนว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะใช้พวกมันหรอกนะเออคุณหมายความว่ายังไงผมขายนาฬิกาของผมแล้วเอาเงินซื้อหวีให้กับคุณแล้วทุกอย่างในห้องเงียบสงบลง จนกระทั่งเจมส์พูดขึ้นตอนนี้สมมติว่าพวกเราลืมเรื่องพวกนั้นไปกอดก็แล้วกันเดลล่าวิ่งไปหาเขาและกอดเขาอย่างแนบแน่นเจมส์กอดเธอกลับโอ้อฉันรักคุณมากเลยค่ะเจมส์ผมรักคุณมากกว่าอย่างที่คุณรู้พระเมเจยเป็นคนที่ทรงปัญญาเขาจะนำของขวัญให้บุรของพระเยซูเสมอพวกเขาคิดค้นศิลปะในการให้ของขวัญในวันคริสต์มาส และมอบของขวัญอย่างมีศิลปะนั่นไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันชันฉลาดเพียงใดอย่างเช่นคู่รักทั้งสองในอพาร์ตเมนต์ของลอนดอนพวกเขาเสียสละสิ่งของมีค่าของตนเองเพื่อมอบของขวัญให้กันและกันนั่นเป็นเรื่องที่ฉลาดอย่างมากพวกเขาคือพระเมเจย